เมื่อวันท <téléphone> ี่หเดือนมกราคมพศ2511ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนหลักธรรมในศัสนา เป็นเนื้อทางแห่งความประพฤติทั้งภายนอกภายในได้เป็นอย่างดีทั้งทา ง, งโลกและทางธรรมศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีขัดแยง้งต่อการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระวิคลาวาท ทำได้ตามชั้นของตนหรือตามเพศของตนฆรวาวาสก็มีศีลห้าศีลแปดบังบวน ห, ห, หลักธรรมนั่นไม่มีข้อเขตปฏิบัติได้ทั้งฆราอิฆรวาวาส แต่มีแยกไปใชยตามเพศของตนเท่านั้นในธรรมะเป็นบางข้อรักศาสนานี่เป็นหลักที่รับรองในธรรม ทางความประพฤติทุกดังถ้าปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักของศาสนาแล้วจะไม่เป็นที่เดือดร้อนสำหับตนเองและส่วนรวมด้วยความไว้วางใจกันก็คือหลักธรรมะ ในวจะเป็นฆราวาสในว่าจะเป็นพระในวัดจะเป็นคนใกล้คนไกลมีหลักทำวินัยเป็นขอบเขตด้วยกันฆราวาสก็มีสีลห้าเป็นขอบเขตต่างๆคนตามปฏิบัติตามขั้นของตนแล้วโลกก็มีความร่มเย็นเป็นสุข ม่นเกิดเรื่องราวต่างๆ้นมาในรับความเดือดร้อนที่เกิดเรื่องกันอยู่ไม่ขาดระยะและ ย, ยิ่งเพิ่มคุณทุกวันก็เกี่ยวคนไมไ่ได้ปฏิบัติตนตามหลักของาศาสนาคือทำเอาตามใจชอบเรื่องยิ่ง ด้านพระก็เหมือนกันการปฏิบัติก็ลงรอยเดียวกันทิฏฐิความรู้ความเห็น ท, ที่เป็นไปตามหลักของพระวิ น, นัยเป็นส่วนสําคัญก็ลงในรอยเดียวกันด้านธรรมะก็เป็นอีกแง่หนึ่งก็ลงในร่องรอยของพระธรรมที่สอนไว้ ก็มันเป็นการกระทบกระทือนหอรือเชา้าต่างๆนั้นแหะพระเราทำาะไรสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักของประธรรมยี่ในแล้ว <ๆ S 1> ก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขงั้จะไปสอนโลกก็มเต็มเม็ดเต็มหน่พยาะมีจุดบุคลองบกของทั้งๆติดเบือนของพระมีหน้าที่ ที่จะปฏิบัติหลัดแต่งตนเองให้สมบูรณ์ตามหลักของพระธรรมนีหนึน่เกิดเรื่องราวต่างๆที่ท่านเรียกว่าอคติกรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพระปฏิบัติตนให้เป็นที่แหวงสงสยัยให้เป็นที่รังเกียจเป็นเพื่อนด้วยกันใครก็มีกาจะ อุบัติภบริโภคร่วมเรื่องก็เกิดขึ้นเรื่องเกิดขึ้นจะยอมรับตามความจริงก็ไม่ยอมรับออเปรตทิฏฐิอันหนึ่งตัวเขาจะเห็นความผิดพลาดลึกอความันเป็นทาของตัวเองด้วยการปฏิบัติไม่ถูกตามวินัยหรือการปฏิบัติเลี้ยแหลของตน เราต้องมีธาต่อสู่โดยติติมานะาไม่จริงบ้างอะไรเนี้ยแต่จะว่าไปกรือการหลีบโลกวัชชะส่วนหลักภายในนั้นหลีบไม่ได้เหอยู่ในที่แจ้งที่รับก็ยอมเป็นความผิดอกี่เช่นนั้นที่เรื่องเกิดขึ้นเช่นนี้ก่อเพราะไม่มีเ ห, หลีโอตปะ ภาในใจของพระนอกจากนั้นจะมีทิฐิมานะไม่ยอมจำนนตามความปิดของตนเรื่องก็เลยยุ่งใหญ่กลายเป็นอันตรายขึ้นมาต้านงะประเทศต่างคนต่างมีความหนึ่งปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักทำในในด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มี จะมีจานวนมากน้อยก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขแล้วต่างคนก็มีทิฏฐิคือความเห็นลงหนอยแต่งหลักธรรมในในด้วยกันไม่ทราบจะอะไรมาขัดแย้งกันเหมือนกับอวัยวะของเราที่มีความสมบูรณ์อยู่ทุกส่วนก็ไม่มีความทุกข์ในส่วนร่างกายเยาบททั้งสี่เป็นที่สบายทั้งนั้นถตาส่วนใดส่วนหนึ่ง เกดไม่สะดวกขึ้นมานี่คนอื่นจะสะดวกสบายอยู่ก็ตามคนคนนั้นก็คือคนไม่สมบูรณ์ด้วยสุขภาพอยู่นั่นเองเรียกว่าเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติตนในด่างข้อยในรับทำนี้หนก็คือว่าคนบกพร่อง เป็นที่รังเกียจแก่มู่เพื่อนนอกของนั้นตนเองก็เดือดร้อนมีธาผิดเป็นอย่างนั้นถ้าถูกแล้วเป็นสุขอยู่ด้วยกันจะมีมากมีน้อยก็เป็นสุขไม่มีอะไรที่จะขาดแ้งเกิดเธอาะที่ว่าเป็นกันกันเพราะความจริงมันก็ลงที่หลักธรรมะ ใครพูดว่าเห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วก็ยอมรับกันถังไม่เห็นมีเรื่องอะไรต่างคนต่างพูดหรือต่างคนต่างเห็นก็เห็นเพื่อความถูกต้องเมื่อลงในจุดที่ถูกแล้วไม่ทราบจะตกเสียงกันไปทําไมถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ได้พูดหาจุดที่ถูกไม่ได้ปฏิบัติหาจุดที่ถูก มันก็คิดเรื่อยไปเรื่องมันก็ยุ่มไปเรื่อยๆมีเราพูดในวงของพระเกี่ยวกับพระธรรมวินัยที่เป็นเครื่องปกครองพระส่วนแคร瓦นั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งอาวะต่างคุณต่างมุ่งปฏิบัติตามเพศของตนในหลักธรรมวินัยที่ควรแก่ตนโลกก็ร่มเย็นเป็นสุข ในครอบครัวหนึ่งก็เป็นสุขในบ้านหนึ่งก็เป็นสุขก็ไปวงกว้างเท่าไหร่ก็มีแต่คนประเภทที่ดีเท่านั้นก็เป็นสุขไปหมดผมจะมาพูดถึงลรื่องความสุขส่วนรวมความสุขส่วนภายนอก นอกจากตัวของเราไปน e w มพูดถึงเรื่องความสุขภายในโดยเฉพาะเรื่องจิตรุนร่นเนี้นส่วนร่างกายจะมีบกข้องบั่งทางสุขภาพไม่ครบสมบูรณ์เป็นทุกข์เพราะเจ็บปดออแอดๆอะไรแต่ใจมีความสุข ใจมีความเยือกเต็นด้วยอัตเตอธรรมที่ตนได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถของตนส ม, มัยผลคือความสุขอุข่ภายในใจนี่เป็นจุดสำคัญใจจะวิ่งเต็นขนขควายหาอะไรก็าตามที่เยีกว่าการํามาหาเรี้ยงชีตก็เพื่อให้กายมีความเยเย็นเป็นสุขให้ใจได้รับความสบายสมความมุ่งหวังที่ตนสะสภงหามาได้ บินใหญ่ก็ลงที่นี่งแยกไปสําหรับผู้หยาบอันนั้นกําหนดไม่ถูกปรานาไม่จบี่จะโลกโมโทโซ mm. อ น, นี้มากเท่าไรไม่พอได้ทางตรงไม่ได้เอาทางอ้อง นั่นทางศิเลยเอาทางโกง่รู้กี่เร่กีเดียมอันนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งความชอบทานี่แหละทําโลกให้เย็นเจ้าของผู้ต่อแสวงหามาได้ก็เย็นสิ่งที่ไม่ชอบทาแน่จะร่ำรวยมากมายก็ไม่เป็นสุข เป็นความทุกข์อยู่อย่างลึกลับเพราะเก็บความชั่วของตนไว้ปิดปกปิดไว้เป็นความกังวลบัวคนเขาจะรู้จะหาความสุขมาแต่ที่ไหนเหมือนอยากตกโจนผู้ร้ายไปเที่ยวปรนสดมมานิ้นรักขโมยเขามาถึงจะได้มาจำนวนเป็ น, ปนพันๆหมื่นๆแสนล้านๆก็ตามเขาก็ต้องทราบในตัวของเขาว่าเขาได้มาโดยทางไม่ชอบ ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่นั้นเที่ยวหลบซ่อนลบซ่อนตัวแล้วยังต้องซ่อนสิ่งของที่ได้มากลัวเจ้าหน้าคี่จะจับตัวแลว้วยึดของกลางได้จะกลายเป็นโทษหนักขึ้นอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายน่ะสิ่งที่ไม่ชอบทำย่อมไม่ทําความสบายให้แก่เจ้าตัวสิ่งที่ชอบทำจะมีมากมีน้อยเป็นความสบายเอง เรื่องหาความสุขแล้วพระเราไม่มีเรื่องอะไรนอกจากจะพยายามบำบัดจิตใจของตนให้ถูกทางมันจะเกิดความสุขขึ้นมาแต่การอบรมจิตเป็นสิ่งที่ยากอยู่บ้างในขั้นเริ่มแรกรู้สึกยากเแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุกที่ัยของผู้บําเพ็ญจะต้องทําให้เกิดให้มีขึ้นในตนัว บาวิธีที่จะฝึกขัดจิตใจตนให้ได้รับความสงบเย็นใจได้อุบายต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องตอดถอนความกังวลที่เดียวของตนนั้นะเป็นเรื่องเจ้าของใจต้องคิดต้องอ่านคิดพิจารณาให้เกิดขึ้นด้วยเรื่องที่จะได้รับโอวาทจากครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนด้วยเกิดจากสําหรับตํานาที่ตัวนศึกษาเราเรียนมาด้วยมีหลายทาง ใจที่ยังไม่สงบเป็นแต่ความหวังอยากเป็นสุขผลนั้นยังไม่ปรากฏสาเหตุคือการบำเพ็ญมากน้อยนี้ขึ้นผลจะต้อปรากฏมีความสงบจะเป็นขึ้นในกำนังแต่การฝึกใจอบรมใจปรมาณจมใจรู้สึกเป็นของที่ยากหรือบงัง ไม่เหมือนเราทำงานด้วยกายของเรานันเวลาทำกวนหนักจริงแต่หยุดแ้วสมายสนใจนเป็นสิ่งที่ละเอียดคอยระมัดระวังเสมอยึ่งอารมณ์ใดที่เป็นข้าสิกใจชอบจะคิดในอานรวมนั่นเสมอ ตอนนี้เราต้องคอยสังเกตาอารมณ์ใดที่เป็นภัยอย่าฝืนคิดมันจะต่อเรื่องให้ยืดยาวเกิด ค, ความทุกข์ติดกันเป็นลาดับับเพิ่มปริมาณขึ้นนั่งยืนเดินนอนไม่สบายนี่คือกอ่อไฟเนะขาตัวเองอเทรรมาะเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟน้ำพอไปถึงไหนไฟก็ดับ น้ำน้อยไม่พอกับไฟไฟก็ไม่ดับพิเดียกาเสะวะเป็นเหมือนกับไฟความภาคเพียนรพยายามต่อทอนพิเดีเป็นเหมือนกับน้ําดับไฟึงพยายามทําให้พอกันความเพียนก็ถือว่าเป็นหน้าที่การ ง, งานของเราซึ่งเป็นพระโลกเขามีงานทํา ใครจอยู่เฉอเฉยไม่ได้ไห้ว่าคนมั่งมีหรสุขไม่ว่าคนทุกคนตนว่าคนโง่คนฉลาดเกิดมาแล้วต้องทำงานไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ด้วยทำเหมือนกันเราเป็นพระเราก็ทำงานของเรางานรักษาศีลขงตนมให้ด่างพร้อยก็จัดว่าเป็นงานความระมัดระวังเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลแห่งธรรมของตนทุกด่านจัดว่าเป็นงานของพระ ถ้าเราละอาต่องานนี้แล้วเราก็เป็นพระต่อไปไม่ไนดน้พระของเราก็ยิ่งจะนับวันอับเฉาเรื่วงโรยลงไปเป็นลำดับหนักจนถึงกับขาดสะบั้นไปจากตัวกลายเป็นเทศฆราวาสขึ้นมาที่เรียกว่าศึกนั่งที่เราได้เห็นเหมือนกันอยู่ทั่วประเทศไทยซึ่งเป็นแดนแห่งพุทธศาสนาอันมีการบวบวชศึกศึกกันเพราะการทนไม่ไหว ม, มีโบดนำมา อุบายวิธีเพื่องพ่มสอนตนถ้าจิตอยู่สบายด้วยอำนาจของความเพียรแล้วมันไม่เดือดร้อนคนเราจะอดบ้างอิ่มบ้างมันก็ถือเป็นคติธรรมดารูปเท่าทันเหตุการณ์เส่นหมดแต่เป็นหนรับของดีของชั่ว สมใจไม่สมใจมามันเข้าไมเดือดร้อนเพราะมันอยู่กับจิตจิตไม่ยุ่งอะไรจะยุ่งจิตเป็นผู้ก่อเหตุเท่งนั้นถ้าจิตรู้เหตุรู้ผลรู้ด่านทั้งดีทั้งชั่วในบรรดาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตรงนีน้จิตก็อยู่สบายไม่ขังบนวุ่นวายกับอะไรจิตสบายถ้าจิต นานอาัยขึ้นมาโดยบบสถานที่อยู่ก็ดีโดยความเชยญก็ดีโดยอาหารการกบชันก็ดีเลยโดยเคริมช้ไม่สอยก็ดีดยาแก้ไขก็ดีบรรดาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนร่างกายหรือจิตใจที่ได้รับความทุกข์เราอย่าไปคิดถึงใครขอให้ลึก ถ, ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์นี่ทรงบำเพ็ญและได้รับความชอบธรมา มากยิ่งกว่าเราเป็นในนั้นไม่มีอะไรภายในตัวของเราที่เป็นทุกข์หรือที่มีความหนักแน่นจัดเทียบเสมอเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้เราต้องคิดพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญมาก่อนทำไมท่านาาทำภูนี้ง่ายวะใชททำไมท่านไม่ตายจะมาตายแต่เราคนเดียวนี่เหรอ่านทำไมท่านทำได้เป็นถึงกษัตริย์ สุคุมานราิทุกสิ่งทุ่อย่างไม่เป็นเหมือนอย่างของสามัญชนเรอที่ใช้ที่อยู่ของปราสาทอาหารการเสวยควกมมีของกษัตริย์ทั้งนั้นเครื่องใช้เครื่องสมทุกอย่างเป็นของกษัตริย์ก็ล้วจากความเป็นกษัตริย์และสิ่งเหล่านั้นมาแล้ว เวอาความลาบากลำบนใครจะเทียบเพื่อเพื่อจัรานี่คนสามัญอยู่ตามบ้านตามช่องตามเมืองธรรมดาอาหารก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ตัว่วไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนมนุษย์ตัว่วไปเห็นได้การประกอบความเปลี่ยนของเราจะต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดเป็นเครื่องแก้ไขตนเอง ยกพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับถ้าเราจะเป็นบุกศิัทาคตก็ต้องเดินตามสเสด็จพระพุทธเจ้าทรงเป็นอย่างไรความลำบากพระองค์ได้เผชประสบมาแล้วทุกด่านการว่าการด่การเสวยคือการขบชั้นเาาการใช้สอยในสิ่งที่ควรใช้สอย พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ขาดแรงอดอยากยิ่งกว่าพวกเราเวลานี้เป็นไหนไหนแต่เห็นได้จริงฝื้นพระองค์มาได้จนกลายเป็นศาสนาของโลกแล้วสอนธรรมะไว้ให้พวกเราทั้งหลายด้วยโดยปฏิบัติตามและกราบไหว้บูชาลตลอดมาเราเป็นลูกศิษย์ประสาคตทธธรรมะจะต้องอ่อนแอลูกศิษยปราทพไม่มีผู้อ่อนแอเพราะธรรมะก็กระหานแสดงไว้เพื่อความกระหานเป็นของสะอาดเป็นของมือสุด เป็นของทนต่อการพิสูจน์เราผู้ปฏิบัติทำไมจึงไม่พิสูจน์ตนเองเวลานี้เราทนต่อการพิสูจน์ตัวของเราหรือไม่เรามีความบกพร่องจุดไหนเวลานี้ต้องพิสูจน์ตนเองให้ทนต่อการพิสูจน์ของตัวเองได้แล้วอา้าวไปไหนก็ไปเวลานี้เรายังมไม่ว่าใจตัวเองก็คือไม่ทนต่อการพิสูจน์ของเราเองได้น่าสําคัญความลําบากเราจะเอามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทางเดินของ ผู้จะนำสุกทุกขั้นมาให้ตนแต่เป็นอุปสรรคยีดขวางทางเดินเพื่อความสุขความเจริญความขยันมั่นเพียร น, นั่นแหละเป็นทางเดินที่ชอบทำและสม่ำเสมอทั้งเป็นทางเดินเพื่อสันติสุขคือพระนิพพานด้วยเราต้องนำมาเป็นคติส้อนใจเราและดำเนินตามหลักธรรม หนาความร้อนความห้งความข้างหายโลกเกิดขึ้นมาอยู่ใน่้ำกลางของสิ่งอันนี้ใครจะไปประสบเราเราต้องคิดอย่างนั้นโลกนี้เป็นโลกที่สมบูรณ์ภูนสุกเมื่อไหรเป็นโลกอันนิจจังต้องมีความแปรสภาพไปโดยดําหนัง่งเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่แน่นอนทั้งโลกนี้แหละไม่ต้องว่าแต่เราคนเดียวไหนเราจะถือความไม่สม่ําเสมอความไม่แน่นอนแต่เราคนเดียวคนอื่นก็เหมือนกัน ทำไมจะเป็นทุกข์แต่เราคนเดียวเราต้องคิดถึงโลกด้วยหมึ่งคิดเรขอบทั้งกายทั้งใจเอามาเทียบมาเทียบกันดูแล้วมันก็เหมือนกันหมดดูไหนก็อยู่ได้นคนเรานัต่างหน้าตั้งๆาเพืปฏิบัติด้วยความสนใจและพอใจจริงๆผลที่จะ ป, ปรากฏขึ้นจากความเพียรที่ชอบทําเนนั้นจะเป็นความสงบเย็นใจต่อตนเอง ถ้าได้รับความสงบเย็นใจแล้วอยู่ไหนก็คสบายไปแล้เห็นคุณของศ า, าสนายิ่งทําใจให้สงบเยือกเย็นมากก็เท่าไรก็ยิ่งเกิดความประทัาใจภายใ น, ในใจของตนความเปลี่ยนก็ยิ่งแก่กามีความบึดดื่มในความภาคความเพีย่ยนเพื่อจะขยบฐานะของจิตให้ขึ้นสู่ความละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆั้นด้างหน้าทางความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนหลังเสมอโดยไม่ลดละเมื่อ ความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอจิตใจของเราย่อมก้าวขึ้นสู่ระดับที่ดีขึ้นเป็นทุนชั้นดังกล่าวไว้ว่าวิริเยนะถูกธรมะเจติคุณจะพ้นทุกประดัทุกประเภทแห่งทุกเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีโตรดจำไว้ในจิตใจอย่างฝังลึก อยากให้ถอนถ้าความเปลี่ยนถอนแล้วเป็นโมคะโอรุจไม่เป็นประโยชน์แต่ความเปลี่ยนไม่ถอนแล้วยังไงต้องหลังหน้าหาผลนิพพานแบบไปชิดที่ไหนนอกไปจากวงของสัตจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมีตันยวกว่าสัตจธรรมทุกข์ก็ทราบว่าทุก สัตว์ก็ทุกคนก็ทุกเขาก็ทุกเราก็ทุกทุกชาติชั้นวรรณะแห่งมนุษย์ทุกทั้งนั้นตลอดทุกสัตว์ก็ทุกมีกี่ตัวมีประเภทใดบ้างมีความทุกข์เหมือนกันเราจะสงสัยเรื่องของทุกาที่ไหนจะเป็นสุขไม่มีตัวของเรานี้ก็เป็นตัวอริยสัตว์อยู่แล้วสัตว์ตัวอื่นคนคนอื่นจะไม่เป็นอริยสัตว์เหมือนกันกับเราอย่างไร มันเป็นตัวทุกข์ด้วยกั น, ท, กนที่ก็นายเห็นฐานของทุกข์รู้ฐานของทุกข์มาทราบถึงทุกข์จริงๆแล้วเขาไม่รู้สึกตัวของเขาว่าเป็นอะไรเราที่ไปรับรู้เขานี่แเป็นทุกข์เหมือนหล่งไฟร้อนไฟเองเขาไม่ทราบความหมายของเขาว่าร้อนหรือเย็นผู้ไปสัมผัสนั่นแหละรับความทุกข์รับความร้อนและทราบว่า ไฟนี่ร้อนมากน้อยเท่าไรทราบภายในตัวของบุคคลผู้ไปสัมผัสไปดีมาคดีสมูทไทยที่ว่าเขาเป็นผู้กอ่อเหอุทางทุกข์เขาก็ไม่ทําความรู้สึกตัวของเขาว่าเขาเป็นสมูทไทยเพราะสิ่งเหนี้ออกไปจากใจวันนี้เป็นผู้รู้แต่มีความหลงแฝงเข้าไปทจึงหาทางระงับดับทุกข์ไปนะ ด้วยอำนาแห่งมะคือข้อปฏิบัติหน่อยดำเนินตามมะที่ท่านสอนเอาไว้นั่นแหละเป็นทางแก้ทุกอเพราะเหตุหงความเพียร น, นั้นเป็นการจะรื้อถอนสมุทัยทือเหตุแห่งทุก นิโรธาก็คือยิ่งยาที่ดับทุกถ้าเรียกว่านีโลธาหรือนิโรติโรตแปลว่าความดับยิ่ยาที่ดับนั้นตะเลียกเนิโรตทุกดับไปเพราะสมุทัยไม่มีทำนองนิโรตก็คือความดับทั้งทุกทั้งสมุทัยนั่นเองไม่ใช่จะดับเพียงทุกสมุทัยยังอยู่ ถ้าสมุทัยยังอยู่ทุกข์ก็ ต, ต้องดับต้องเจริยาที่ดับนั่นท่านเรียกผู้ที่รู้ผู้ทีนน่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัจจะสี่ผู้นั่นแหละเป็นผู้แน่นอน มรคือข้อปฏิบัติเครื่องกำจัด ก, กิเลสเมื่อกิเลสจิ้นไปนแล้วมรคก็เป็นเหมือนเครื่องมือทำงานเช่นเดียวกับมีกล้าของเรามาทำงานผลของงานเราได้มาทำเป็นประโยชน์สาหรับเราเครื่องมือกพอวาไว้มรคซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือใครจะกอบปวดเอาไปด้วยเมื่อกิจบริสุทธิ์แล้วเหมือนกับเส้นทางเรวเดินไปสู่จุดต่างๆ ไปจนถึงที่แล้วใครจะย้อนกลับมากอบกลวยออกทางหนนั้นไปเรื่อยไม่จําเป็นทางก็เป็นทางเยู่ที่นั้น ท, ทกนนุกก็เป็นสัจจะอันหนึ่งสมุทัยก็เป็นสัจจะอันหนึ่งมรรคก็เป็นสัจจะอันหนึ่งนิโรธความดับทุกข์ก็เป็นสัจจะอันหนึ่งมีเรียกว่าสัจจะธรรมทั้งสี่ เป็นทางเลนเพื่อพระนิพพานผู้จะรู้สัจธรรมทั้งสีนี้นผพ้ติแทะแจ้งชัดรู้แจ้งชัดในสัจธรรมทั้งสีนี้ทางเดียว่าความบริสุทธิ์ ทุกดับไ ป, ไปแล้วเราจะไปหามอะไรมันที่ไหนท่านเรียกว่า น, นี่โรตาคือปิยาที่ทุกดับท่านเรียกวนี่ลูกเจะไปเอาที่มันทุกมันดับไปแล้วกิยาที่ดับทุกนั่นแหละท่านเรียกว่า น, นี่ลูผู้ที่รู้ว่าทุกดับไปดั่างนี้อันนั้นไม่ใช่สัจจะทั้งสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าบริสุทธ์ก็คือธรรมชาตินี่แหละบิสุท ูรรอบในสัตยธรรมตั้งสี่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาจะเรียกว่าอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาท่านเรียกว่ามสมมติเท่านั้นได้ผ่านไปหมดแล้วนี่แหละเราหาความรู้สุทธิาในจุดนี้ เราจะไปคาดกันเลยว่าบุญนิพพานอยู่ที่ไหนทุกที่ไหนสมุนไทยก็มีที่นั่นเป็นเครื่องหนุนให้มีขึ้นมาสมุนไทยมีอยู่ที่ไหนมรรคก็จะต้องมีขึ้นที่นั่นจึงจะแก้สมุนไทยได้ในที่นั้นมรรคมีความสามารถแก้สมุนไทยได้แค่ไหนนิโรธก็สแสดงตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับ <c oughs> ตามลำดับแหนสมุนไทรที่ตอ ถอจมอาตามอำนาจแข็งมากที่ถอนสมุทัยได้เท่าไหร่มากถอนสมุทัยได้ทั้งหมดนิโรธที่ภาษาไทยเ ร, เราเรียกนิโรธก็ดับทุกได้โดยสมบูรณ์ในขณะนั้นทุกดับไปแล้วโดยสิ้นเชิงในการใดก็เป็นยิสุธิหรือเป็นมิมุติความหลุดพ้นในขณะนั้นนั่นแหล และในสถานที่นั้นด้วยธรรมชาตินี่แหละถ้าจะพูดให้สนิทปากตามความรู้สึกของผมอากาลิโกคือธรรมชาตินี่แหละเป็นรากฐานของอากาลิโกแท้เบื้องต้นก็คือใจมีอยู่ แต่ใจนั่นย่อปนอยู่ยยกับกิเลสโมมต่างๆพอตอดถอนสิ่ม่านี้ออกหมดแล้วนั่นเหลือแต่ความบริสุดต้นดวนนั่นเป็นอาการิโกอย่างสมบูรณ์มีอยู่ตลอดเวลาบริสุดอยู่ทุกการไม่เลือกเวลาเวลาการสถานที่นั้นนี่คืออาการิโกแท้ในหลักธรรมชาติ ความร้อามต่างจากปฏิบัติต่อตนเองไม่อมีสิ่งใดที่นาะที่เป็นที่รักสนวนยินอกประจักรัวของเราควมรู้วิชาและการปฏิบัติทุกด้านจึงเพื่อเราซึ่งเป็นที่รักสนวนอย่างยิ่งนี้ให้เป็นมีให้เป็นสมบัติมันล้นค่าขึ้นมาพันตัวของเได้สมบัตินี้แล้วยังยิ่งจะ จางหรือหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออันนี้เป็นของมีคุณค่ามากกว่าสมบัติใดๆในโลกแม้แต่ในร่างกายของเราก็คือใจ น, นี่แหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากได้สมบัติบรรลุธรรมนี้แล้วเป็นนั้นว่าหมดปัญหาไม่มีความหิวความอยากจะต้องการสมบัติใดๆอีกแล้ว ก็จะติดตามอ้า